พักเช้ากับพักบ่ายไหนเยอะกว่ากันคมระวังเทศไหนเยอะกว่ากันพักค่ำพักบ่ายก็มีหรอบ่ายถึงห้าคนไหมห้าคนได้ั้ยเหรอโอ้วันนี้ใครเทศวันนี้ อ, อ, อ๋อคือว่าอย่เออตัวลขการเออดีละเทศเป็นทางเกินมั้งตอนเนี้ยอังการมาต้องไปทางเกินมั้งนเนี่ยมาต่อเรื่องเรื่องเมื่อเช้า เมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรนะความจริงถ้าแต่ละคนฟังเสร็จแล้วลองสรุปเป็นภาษาของตัวเองก็น่าจะดี คือฟังแล้วเราเข้าใจว่าอย่างนี้มากล้วพูดอย่างนี้โดยสรุปใหา้ไมา่ได้ข้อสรุปแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนะหมือนกับเมื่อเช้าที่เราพูดที่พระอาตชิพูดเยธรรมาให้ตุปปาภาวานอันท่านสรุปเป็นความคิดของท่านนะสองสามแถวเองเยธรรมให้ตุปปาภาวานเอสังให้ตรงตถาโตเอสันจัก พิรโรธโธจะเอาวางวัติมหาสมณุนฉันสรุปสีแถวเองพระอัจาริดพิโรมันสรุปไปฟังสั้นๆสรุปไปฟังคนที่มีปัญญาตระหนัว่า น, นอกจากขบุญจาร์แล้วคนนี้คนที่มีปัญญามากเสียนโดยดรอยู่ภาษาลิบุตรสรุปแค่สาวเรียราบาดคาถาคาถาก็มีสีท่านเหมือนถ้าเป็นบทเป็นกรอน ก็สรุปสั้นแค่นั้นนะแต่ว่าเป็นสรุปที่ท่านเข้าใจแล้วก็สรุปอย่างอย่าให้พวกเราฟังแต่ละครั้งแล้วต้องจดต้องจําบรณ น, นึกบอกจําดีกว่าจดถ้าจําไม่หมดจดดีกว่าจำนะมันจะเป็นอย่างี้คือถ้าเราจดเนี่ยเรากลับมาอ่าน รอบใหม่ที่ได้ขอหลวงพอ่อเป็นบันทึกเอาไว้ทุกวันพระหายไปไหนก็รูหมายว่าหลวงปู่หลวงพอ่อทั้งเทศวันพระเสร็จก็จะสรุปว่าวันนี้ทันเทศเรื่องอะไรแต่ว่าสงบดเรื่อนั้นหายไปแล้วนัื่งหายไปแล้วหลวงปู่เราี่้เป็นนักบันทึก เป็นการบันทึกจดละเอียดว่าวันนี้ทำอะไรซื้อขายไปแล้วมันไดยเท่าไหร่ค่าทำอะไรวันนี้ปีนี้ปัญษานี้พี่ใครอยู่บ้างอยู่ที่รูปเชื่ออะไรบ้างแต่เปิดว่าเล่มนั้นกำลังจะไปทำเป็นเล่มท่านก็เรียกมาคืนแะล้วก็ว า, างบนโตน๊เะเฉยๆเ็รากิด่คุณปวกเขาไปพิจรารณาถ้าเป็นอาหารของปวกก่นละ จริงว่าจะเอาไปพิมพ์ไปทำทีละนิดทีหน่อยแต่ว่าปูว ก, ก็ไปคิดแล้วเสียดายบันทึกที่เป็นของคุณค่ามีคุณค่าเอามาต่อต่อของเราไปเดินต่อเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องตึงตา ตาเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่แฟนของยายนะไม่เกี่ยวกันนะตาก็คือลักษณะของตาคุณสมบัติของตาก็มีแ้วที่เห็นนี่คือตาหน้าที่เขาคือเห็นหลังจากนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเม่เกี่ยววันนี้สองสาวันก่อน มีคนมาถามเยอะแยะสารพัดปัญหาทั้งธรรมะทั้งรรทำเมาก็คือทํางไปคัดกลองไปแยกแยะ ก, กันเองก็จะเห็นรพื้นฐานความคิดของเรามาจากการปฏิบัติตามความรู้ตามความเข้าใจราษาพระครบาอาจารย์าบอกภูม ภมแปลว่าแผ่นดินก็ได้แปลว่าชั้นชั้นหมายถึงพุมิจิตก็ได้แปลว่าความหนักแน่นถ้าแปลว่าแผ่นดินต้องมุ่งไปที่ความหนักแน่นขวาหนักแน่นก็แปลว่าดินก็คือเป็นพื้นฐานรองรับทั้งหมดทั้งปวงที่ของโลกใบนี้โดยมีดินเป็นเครื่องรองรับก็ว่าภูม เกศลาเหล่านี้ก็ตั้งบนดินต้นไม้สายนาภูเขาล้วนมิดินเป็นทีต่างกังนนี่เรียกว่าภูมิถ้าใครทำยันก็ได้หมายก็ว่าถ้าภูมิอัดภูมิทำของใครหนักแน่นป่านี้มันก็สามารถที่อยู่ได้อีกเลยหนึ่งภูมิเนี่ยมันมีชั้นของเขาอยู่ที่ดเดียว่าจัรยเออกามอาประจภูมิ รือวาเรองผ ม, ผมก็คือถ้าใครอ่านใครเคยอ่านใตภูมิเพราะร่วงจบมั้งใครเคยอ่านใตภูมิเพราะร่วงมั้งตีนหรชื่อแล้วใครเป็นคนแต่งมันพูดถึงเรื่องอะไรพวกเราต้องหัดอ่านประวัติศาสตร์บ้านงนะบางที ไม่น่าเชื่อสมัยก่อนการสมาธิแยกแยะภูมิเอามาเป็นชาร์ตเป็นสวรรค์แต่เราเรียกเนี่ยอันนี้มันสวรรค์ในวันณคดีมันรูปร่างหน้าตาเพื่อให้คนจินตนาการออกเขาเรียนสอนในทางปริยัตในทางปฏิบัติมันไม่ใช่งั้นเมื่อภาคเมื่อเช้าเราพูดถึงอบายคือเนรุกเ ป, ปิดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็ไปมุ่งที่เป็นรูป รูปสมบัติเกิดโปรแกรมหน้าตาเช่นเราพูดถึงสัตว์เราไม่นึกถึงตัวเองว่าจะเป็นสัตว์นี่เป็นต้นพอถึงเปรตก็ไม่คิดเราตัวเองจะเป็นเปรตพอถึงนึ่งรกก็ไม่คิดเราตัวเองตก น, นรกและสิ่งเหล่านี้ก็เข้าใจตรงกันว่ามันน่าจะเกิดหลังจากเราตายแล้วอันนี้สิ่งที่เราเข้าใจ เราก็เลยไม่ค่อยอะไรมากมายก็สิ่งเหล่นี้ทีนี้ถ้าเราเอาของพวกนี้เอาคําพูดผู้เจ้าเป็นตัวจัดเป็ตัวประเด็นว่าผู้เจ้าของเราให้อยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างนั้นเราก็ไปอยู่กับอนาคตอยู่กับอดีตผู้เจ้าก็มอง ป, ปัจจุบันคือเดืยนนี้นรกก็คือที่ที่ไม่เคยมีความสบาย มีแต่วความร้อนกแบ่งไปชั้น ๆ, ๆก็ว่าไปตายในปริยัตเอาไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่ามันร้อนแต่ทีนี้สภาวะมันก็คือถ้าลักเข้าใจตรงกันว่ามันหลังจากที่เราลมหายใจจากไปแล้ว ง, ง่งายๆก็จะโดดข้างล่างไปนะไปสวยของคนนี้ก็แปลว่าไม่เกี่ยวกับรูปหยาบอันนี้แต่มันก็เปรูปที่เป็นรูปละเอียดทีนี้ ถ้ามาดูถ้าเราธรรมะอุจ้าคือเขาเรียกว่าธรรมนิยามที่เราสวดกันจนจํำรางงานศพงานอะไรก็จะสวดของอย่างนี้แหละแต่เราไม่เข้าใจสีได้ตรงนี้นเราไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดรู้เถอะพระสวดพระพนมือได้จบแล้วสวดผีสวดอะไรครก็ว่ากันไปสวดให้ผีฟังสวดให้คนตายฟังไม่ได้สวดให้คนเป็นฟัง เราก็เข้าใจอย่างนี้แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นสอนคนเป็นไม่ได้สอนคนตายเราต้องทำความเข้าใจใหม่เหมนอนนรเกตสัรชาตุรกายนี่ก็คือลองมองโดยภาพรวมเสมมตว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราลองมองไปที่ภาพรวมนัทั้งหมดของคนเราโดยลักษณะอย่างนี้คือมันเกิดขึ้นกับใครในสภาพใดก่อน เย็นกับันร้นร้ก็คือสภาพมันมันร้อนอะไรมันร้อนใจมันร้อนมันเกิดขึ้นที่ใจม่เกี่ยวกัายความร้อนไม่กเกิดขึ้นที่ไหนสภาพของเขาไม่จุดตรงกันข้ามออกับความเย็นอันนี้คือเวลาเราพิจารณานะให้พิจารณาสิ่งที่มันตรงกันข้าม เพื่อเกิดความจริงเพื่อหเห็นว่าเราจลังจะพูดอธิบายเรื่องการเกิดการดับมันเข้าใจยากก็คือเกิดมันต้องดับอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยเข้าใจยากเอาง่ายๆที่เราเห็นเป็นรูปธรรมก่อนเช่นพูดถึงร้อนก็ให้นึกถึงเย็นมันจะต้องการข้ามคือเป็นคู่กรณี้ควบง่าคู่ปรับเหมือนกับเราร้อนใจเมื่อไหร่แปลว่า สิ่งที่มันต้องการคือเย็นมันไม่ได้ต้องการร้อนเพราะ้เมื่อไม่ต้องการร้อนก็แปลว่าเราก็อย่าไปเพิ่มความร้อนต้องทาให้มันเย็นเย็นมากเย็นน้อยมันแล้วแต่แต่ยังไงมันก็ต้องลดเหมือนเราเป็นไข้ใช่ไหมปวดหัวตัวร้อนอะไใช่คหมนี้บกินยาเพื่อลดเรียกว่าลด ใข้ก็คือลดความร้อนนั่นแหละสาม8ิเจดสามสิบปดให้เหลือแต่สามสสี่สามสิบห้าลงมาปกติอุณหภูมิปล้อนนั้นก็แปลว่าในขณะที่ร้อนสิ่งที่ต้องการก็คือเย็นเราเริ่มพอใจธรรมชาตินะนี่คือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ว่าเราจะต้องทำให้ได้ว่าทำยังไงถึงจะเย็น เมื่อมันเย็นปุ๊บเนี่ยสภาพกำลับก็มาแช่นนรกละทีนีพระนรกมันร้อนคือใจมันร้อนมันก็กลับมาที่เย็นเห็นไหมนรกสวรรค์มาเกิดขึ้นตรงไหนทีนี้มันเกิดชาติหน้าหรือเปล่าเว่าชาตินี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดนี้นี่หละลักษณะเขาบอกดวงตาเห็นธรรมมันเริ่มคิดได้ละอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องอย่าไปเพิ่มความร้อน แต่ละคนก็อย่าไปเพิ่มอย่าไปเพิ่มปืนเพิ่มไฟเติมเชื้อเข้าไปเชื้อความร้อนด้วโดวยธรรมชาติเขาก็ดับก็ค่อยลงก็ค่อยเย็นไอ้คือธรรมชาติมนันเดือดนจนถึงจุดเดือดแล้วมันก็จะเย็นในจุดเดือดแล้วมันก็จะเย็นอันนี้แค่เรื่องร้อนกับเย็นอย่างเดียวเรื่องอื่นๆก็ทารองเดียวกันมาก็ว่าเอาเป็นกรณีศึกษาเอาแ็่อย่างนี้อย่างเดียว นี่คือคำว่านรกคำนั้ น, นรกจริงๆคือเกิดขึ้นกับทุกคนมันไม่ได้เลือกนะรักเปตสัตว์เดรัจฉานมุขชาวอาธิบายไปอขออนุญัตสั้นๆนิดนึงสัตว์ที่เราพูดเมื่อไหรก่ก็รู้สึกว่าโกรธไม่พอใจเพราะว่าธรรมชาติของเขาคือโดยภาพรวมก็คือภาษาไทยง่ายๆนั่นคือโง่ ง่แปลว่าอะไรพัฒนาไม่ได้เรียนขนาดไหนก็ไม่มีทางเบิดกับพวกเราช่างมาบุกคอยมูมากากไก่เราจึางใช้คำปฏิทิวาโง่เพราะนั้นเวลาพูดางนี้ก็โกรธโกรธฮะโกร ธ, กร ธ, กรธคือไม่พอใจไว้ได้อยากได้ยินคำนี้ถามว่ามันเป็นความจรงมิงไหมมันเป็นสัจจะไหมต้องถามว่าถ้าอย่างนั้นงนม่มตรงข้ามกับอะไรก็เหมือนกับเจนกับร้อนเมื่อกี้ ตรงข้ามของโง่ก็คือฉลาดแสดงว่าวจิตในขณะนั้นไม่ฉลาดอมาถึงได้โก้ก็กทาให้มันฉลาดกลายเป็นกุศลจัดจรองข้ามกับโง่ล้วนี่คือการมองโลกเรียกว่าวิปัสนาคือมองแตกต่างจากที่เราเคยมอ ง, มองที่ผ่านมาชื่เรียกวิปัสนามองแตกต่าง ม, มันก็คือปัสนาก็าาคือเห็น เปรริตรงๆง่เนี่ยก็เห็นแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาต้องต้องเห็นต่างต้องเห็นความแตกต่างนะวิปัสสนามันเป็นอย่างนี้มันยิ่เกิดปัญญาคือคิดได้อันนี้แค่สั้นๆนะสัตว์ดอกเปรดเปรตพูดคำนี้ปุ๊บขเขาบอกเป็นคุณที่ขอคือขอส่วนบุญอันนี้ตนันเทระเข้าใจนะพี่ขอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่โดยข้อหมายแล้วพูดถึงเปลนขอส่วนบนุญก็แปลว่าชีวิตเราเนี่ยดำรงชีวิตยอยู่กันด้วยการขอไปเจอพุทธรูปเจอต้นไม้สายนาภูเขาขอต้นไม้เกา่าไม้แก่ ข, ขออเจ่จำปัข่ขอขอเนี่ยโดยไม่รู้ว่านั่นคุณสมบัติของเปรตนะมนุษย์เราไม่ต้องขอ อยากได้ทำเอาเช่นอยากอิ่มต้องกินคุณไปขอไม่ได้มันจะเป็นเรื่องเหตุโดยบังเอิญมันเป็นไปได้แต่ ว, ว่าขอแล้วได้ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เราก็ระงงชีวิตยอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็ช่วยจำจำจำจำตัวนั้นขอได้ตัวนี้ขอไม่ได้ลักษณะ แต่ตัวสุดท้ายคืออสุรกายซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเราก็เข้าใจเป็นเรื่องที่คนที่น่าเกียด น, น่ากลัวขยะขยงรูปร่างหน้าตาไม่สมประกอบอะไรเนี้เราเข้าใจว่าอสุรกายอสุรกายก็คือคนที่มีกายที่มันไม่มีความกล้าที่แสดงออกความหมายอสุระสุระมันแปลว่ากล้าอสุระคือไม่มีความกล้าใครที่ไม่รู้ร่างกายที่มีความกล้าหาญ กะหามนตรงกัข้ามกลัวที่ไม่กล้าเพราะว่ากลัวกลัวก็คืออะไรภาษาบาลีภาษาธรรมก็บอกไพเพราะว่าเรามีไัยไพยอะไรไพยในวันตาสงสารไพยคืออะไรวันตะสงสารคืออะไรกิเลสกรรมวิบากไอ้ตัวนี้คือไพยคู่ขามเรา มองมีทิศทางเราอยู่ในลักษณะไหมทุกวนันนี้ไม่กล้ากลัวไปหมดหนังสือสุรกายทำแชร์สุรกายหมายว่าในขระดษจิตใจถ้าเรายังไม่แนวความคิดอย่างนี้มันก็เข้าหลักเกณฑ์การที่เราปฏิบัติต้องการให้เราเห็นสภาวะอย่างนี้ คือมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาเพราะะฉนั้นที่เกิดเราธรรมนิยามคือกําหนดเพราะนั้นผู้เจ้าใช้คํานี้แหละเพื่อมากําหนดรูปน้ำพูง่ายคือขันห้าเราเนี่ยแหละที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะไปคิดว่าเราเข้าใจตัวเราดีพอ คำว่าตัวเราคือกันห้าเพราะว่าเราเขาสองคำอันนี้แหละถ้าเราตัดออกตัดเราตัดเขาตัดหญิงตัดชายออกเนะี่ยเราจะเข้าใจสภาวะอย่างนี้พวกเราเคยสังเกตไว้เข้ามาในศาลาแล้วเห็นอะไรที่จริงมามาอยู่กับเราตั้งนานนล้นนะ เราเห็นโครงอะไรข้างหลังไหมเห็นอะไรไหมคงเจียงน่าจะมานั้งตั้งตรงหน้านี่นะโครงโรงพยาบาลเขาออามาให้โรงพยาบาลเทศบาลตรงกลางตรงการวรรรถโมงยาาลเทศบาลเขาออามาให้พระริจาค ก็เขาเป็นครูใหญ่แล้วเขาก็จำไม่ได้ของโชคดีคือถามว่าเป็นใครมันพอถามว่าอันนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายพวกเราดูออกไหมครงกระดูกนัแล้วเป็นเรื่องน่ากลัวไหมอันนั้นกระดูกจริงนะไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เันกระดูกจริง นี่คือวิปัสสนาจนจิตรจรเรามองสิ่งเหล่านี้ที่เหลือที่ผ่านมามันห่อหุ้มด้วยดินน้ำไฟลมนี่คาไว้ปันปสนาตอนนี้เหลือแต่โครงหรือแต่ลู ก, กตาหรือแต่กระดูกดินก็ไม่เหลือน้าก็ไม่เหลือไฟก็ไม่เหลือซึ่งสภาพของพวกเราเป็นอย่างนี้พวกเราคือคำ ตอนนี้ไม่มีเขาไม่มีเราแล้วเพราะไม่มีอุปทานว่าอันนี้หญิงอันนี้ชายมันจริงไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเขาไม่มีเรานั่นคือเป้าหมายในการปฏิบัติของพวกเราเพราะว่าสภาดะจริงๆหมายถึงจิตมันไม่ได้มีเพศเดี๋ยวจะได้เข้าใจตอนนี้เป็นของกอของเราไม่ได้ ตากับเราที่เราทุกอย่างลำบากแล้วเพราะว่ามีเขามีเราเติมข้างนาลงไปว่าของเราเช่นบ้านของเราเป็นไหมเป็นเจ้าของแล้วเจ้าของแปลว่าอะไรยึดมนี่คือว่าอุปท า, านใจมันยึดว่าของเราของเขาก็เช่นเดียวกันบ้านเรารถเรา ถามมาตั้งแต่ต้นจจบหมายว่าตั้งจุดเริ่มต้นคือชาตะนรือาเกิดมีของพวกนี้ไหมมันก็ไม่มีของพวกนี้มันเกิดขึ้นทีหลังไม่ได้กับวัตถุสมบัติแต่มันจากพวกเราไปไม่ได้หายไปได้ขาดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีปัสนาความหมายเพราะนั้นเขาพิจารณาไม่ได้เกี่ยวกับสํานักไม่เกี่ยวกับวิธีการมันเกี่ยวกับอื่นถ้าไม่เห็นของพวกนี้ นี่แหละต้นต่อของการเห็นธรรมพราเราไม่มีดวงตาอันนี้แหละเราจึงมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงดวงตาเห็นธรรมคือเห็นของจริงส่วนดวงตาที่เป็นเห็นโลกนะมันเป็นของปลอมเป็นของชั่วคราวที่เรายังเห็นกันอยู่นทั้งชีวิตนีสุดท้ายก็เหมือนกับเนี้หรือเด็โครงอย่างนี้ เราจยานึกไม่ได้นึกไม่ออกโเนี่ยพ่ปซาลาต้องการให้เราลอกคราบอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์เนี่ยบอกให้รือร้อรือ้ออะไรื้อขันห่านะขันยิงไปลว่ากองสันห่านก็คือห้ากองกองที่หนึงกองรูปเรียกว่ารูปประขันกองของรูปเวทนาเวทนาขันมันตามว่าขันขันขันสัญญา สัญญาขันสี่ห้ากองเนี่ยให้เราเข้าใจสุดท้ายก็แยกว่าอันนี้คือรูปอันนี้คือนามตอนนี้เลยแต่รูปนามชื่ออะไรก็ไม่รู้เพศชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีเพศเลยแต่โครงกระดูกเนี่ยพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าตายไปโดยไม่เห็นสุดท้ายเน่าเปื่อยผุพัง ตามกาลเวลาเหลือแต่โครงกระดูกก็ตอบไม่ได้เพราะมีอะไรเหลือเลยโครงนี่คือการรื้อโดยวิปัสนาหรือตัวเราเนี่ยหรือกองสงขานนั้นหลวงปู่ทองอินหลวงปู่ทองอินเราเบจจวัตรโรตีสองวเวลจะนั่งภาวนานท่าน ใ, ให้พูดให้คำาะไทุกคนบอาทุกคนตั้งใจว่าตามพระเจ้า ขอปฏิบัติบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ขอให้จิตของข้าพเจ้าสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความรอบรู้ในกองสังขารเก้ากองด้วยปัญญาแลค่ก็วางมือลง แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาบอก m i n d ซ e t คือตั้งเป้าหมายเอาไว้เหมือนกันจาไม่มีเ ป, ป, ป้าหมายเกิดตั้งเป้าหมายว่าเป้าหมายของเราการปฏิบัติเราต้องอย่างนี้คือต้องมีความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญาสุดท้ายไปต่างคือเกิดดวงตาเห็นทรนั่นแหละคือต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง ไม่มีใครทําให้เราเห็นได้ของปุ๋นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ศรรึกษาคือยุ้แรกก็กำหนดคือกําหนดรูปกําหนดรูปกําหนดนามกำหนดตรงไหนตอนนี้เรากําหนดได้เพราะเรามีรูปอยู่รูปก็คืออะไรรูปก็คือดินน้าไฟลมเป็นดภามรวมสุดท้ายนามคืออะไรนามถ้ามันสิ่งที่มันอยู่มีแต่ชื่อคือเปยนา เกินสุขอารมณ์เช่นสุขทุกข์เฉยๆอย่างนี้มันก็เป็นสามอย่างนี่แหละแต่นี้สุขทุกข์กันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปเลยแต่มันอาศัยมาอาศัยรูปอยู่ถ้าใจไม่เป็นกลางมันก็จะอยู่กับสุขอยู่กับทุกข์อยู่ที้ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เราแยกกองมันไม่ออกมันแยกไม่ออกกับผสมลงซะเลย มันสุกก็สุกตามมันทุกข์ก็ทุกข์ตามตามความเข้าใจตัวเองแต่นี้ตามเราะดคาะคา้ความอยากหือตัญหาเพิ่มความอยากเข้าไปย่อความอยากเข้าไปเติมเข้าไปเหมือนเติมที่มันปรุงอ่ะเวทนาสัญญาปรุงแต่ตัวความจําสังขารนี่คือตัวปรุงปรุงให้อร่อยเหมือนเราปรุงอาหาร พวกเปรี้ยวก็ได้พวกให้หวานก็ตัวชอบก็ตามที่เราชอบตัวสังขารมันกระดับไม่ได้อันนี้ขั้นตอนของมันก็คือลำดับขั้นตอนการเกิดกันอยู่กันดับให้เราบองสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบธรานิยามคืออันนี้เราจรึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเท่าเห็นกันก็คือหมายคก็ว่าเป็นสภาพเท่มันเสมอกันหมดทั้งโลกนี้ ก็คือการเกิดขึ้นดังอยู่แลายระดับไปเราเรียกว่าไตรลักษณ์คือลักษณะสามอย่างคืออนิจจารักษณะคือไม่เที่ยงทุกขะละมีทุกขานาตาคขาไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนนี้คือได้ครองกระดูกก็เรว่ามีตัวมีตนเป้าหมายสมคำแค่นี้ประทำยังไงถึงจะมองรูปประการก็รูปคำนามอันนี้ให้เป็นอนิจจารักษณะ นั่นแหละการดูตาเห็นธรรมที่ท่านอาจารย์ตัวนี้เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมทั้งหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้ามันปรากฏตัวเมื่อไหร่มันดำรงเมไร่มันจะต้องดบับถ้าไม่ดับเกิดอะไรขึ้นความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมห oh ะถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ดับทันทีมันเป็นยังไง น้ำมันกําลังจะร้อนอยู่เราไม่รีบทําให้มันเย็นหรือทาให้มันหยุดมันจะเป็นยังไงแล้วมันเกิดขึ้นมันเผาใครจะเรียกว่าไฟมันเผาเราซึ่งตรงกับเทศนากันที่สามที่พุทธเจ้าเรียก ว, ว่าอธิแต่ปริยายิสุดจะพูดเรื่องไฟไฟสามกอง ก็คือราคะโทสะมหเราคากีนาโทสกีนามหากีนาขีนาคืออี้ก็คือไฟอันละราคากีนาไฟคือราคะไอตัวที่มันเผาเราทุกวันเราคือมนุษย์ไม่ได้คนใดคนหนึ่งราคากิโทสกีนาคือโทสะก็ตัวไฟตัวหนึ่งคือราคะโทสะสําหรับนักปฏิบัติ ท่านเรียกว่าราคาโทสะโมหะแต่ถ้าคนทั่วไปมันจะบ้านเขาเริ่มว่าโลภะโทสะโมหะเพราะยังอยู่กับโลกอยู่จะมีความโลภคือยังอยากได้ยากมีอยากเป็นความโลภก็ลักษณะของเขาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือคุณสมบัติเขานะถ้าใครมีคุณสมบัติอย่างนี้นั่นคือโลภะคนที่มีโลภะมีคุณสมบัติอย่างนี้ มีได้สามเรื่องแค่นี้แหละก็เรียกว่าโลภะอยากได้มันไม่ได้อยากมีมันไม่มีอยากเป็นมันไม่เป็นผลคือทุกข์ทุกข์ขาไปอยู่ได้อยู่ลําบากอยู่ยากทนสภาวะอย่างนั้นไม่ได้คำว่าทุกข์ไม่ได้ไปอย่างแต่เรเข้าใจนี่นะมันอยู่ไม่ได้เหมือนรูปอันนี้ เรียกโครงกระดูสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้นี่คือถุกะมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นถ้ า, ายังมองสิ่งเหล่านี้ยังไม่เห็นตามสภาวะความเป็นจริงตามสภาพของเขาเขาแปลว่าเรายังไม่มีดวงตาเห็นดำเมื่อไม่มีดวงตาแทงก็แปลว่ามองไม่เห็นอะไรเหมือนคนเมืนคนบอดตอนนี้ถ้าดวงตาเหล่านี้ยังไม่ปรากฏ ในสภาวะธรรมในสภาวะจิตของพวเราเราก็มองไม่เห็นนะในสิ่งเหล่านีม้มีตาก็เหมือนกับไม่มีตาสิ่งเหล่านี้มันต้อเกิดด้วยสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นได้มันต้องเปพร้อมต้องเป็นเรื่องเดียวกันที่อบอกที่พ่ออธิบายหลา ย, หลายครั้งแล้วท่าเกิดแล้วเหมือนก็เหมือนกับสิ้นสมาธิปัญญาที่เราเยยแยกแๆกันอนะันนี้คือสิ้นอันนี้คือสมาธินี่คือปัญญา แต่เวลามันเกิดแล้วมันเหมือนอะไเดียวกันเกิดขึ้นเร็วดับเร็วหลายๆเรื่องมันเกิดเกิดกระดับคุณจะเกิดเป็นใดก็แด้แต่แต่มันไปต้องดับเกิดทันทีดับทีคุณไม่ต้องไปถามกระบวนการของมันเกิดแล้วมันจะไปเกิดแล่ดับเกิดแลดับพอสุดท้ายกําหนดเพื่อให้เห็นการเกิดดับเร็วขึ้นนั่นเองเราเจีววางได้เร็วแปลว่าอะไรเกิดเร็ววางได้เร็วเราจะไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดเช่นอารมณ์ของเรา ว่าจะเป็นพอใจหรือไม่พอใจก็ตามมันไม่เป็นผลดีทั้งคู่อารมณ์ที่มันไม่พอใจเกิดแล้วก็จะไปให้มันปล่อยความยาสาความยืดว่าให้มันจบลงทันทีคือหยุดนี่อันนี้คืออันทนี่สองว่าเห็นการเกิดการดับสุดท้ายถ้าเราเห็นการเกิดการดับอันนี้มันเร็วขึ้นเราไม่ได้พูดว่าการเกิดการเกิดเป็นอะไรทุกอย่างที่มันเกิดที่มันปรากฏตัวขึ้นมา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดำไปเกิดขึ้นรับรู้ตั้งอยู่พิจรารณาอย่าขาดพิจรารณาเด็ดขาดอยู่ๆทำจนเป็นนิสัยพระสิทธิธรรมมันก็จะรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาผมก็จะวางเองเพราะสุดท้ายก็ไม่มีเขาไม่มีเราเป้าหมายปลายทางอยู่นั้นะเพราะจริงๆแล้ววันหนึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนโครงกระดูกที่เราเห็นนั่นแหละทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้นเพียงว่าตอนนี้อันนี้มาสวมเรา คือตินน้ําไฟลมเรยวรุ่งร่างราตาสูงต่ำดาขาวอันนี้ไม่ใช่สาระอืเรียกว่ารูปเพราะสุดท้ายเราก็ข้ามโรคตัวนี้ไม่ได้ถ้าก็เป็นหลงคือโมหะเป็นตัวปิดบังให้เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คือปิดปังดวงตาเห็นถังเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงตั้งยังละตามความเป็นจริงคือธรรมะธรรมะสัจจะเรียกว่าสัต จะทำเขาไปจริับเขาเขาก็ดําเนินไปอย่างนี้ตลอดทีนี้รักเข้าใจโดยสภาวะคือร่างกายของเราคือดินน้าไฟลมอันนี้คือหลักละคือมีธาตุ ด, ดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมถ้าไมครบวันไหนทำไมไม่สามัคคีกันหเดือดร้อนอันนคือความเป็นอยู่ขาดไม่ได้ตัวอย่างโดยสภาวะเหมือนตึกหลังนี้อาคารหลังนี้อะไรก็แล้วแต่ อันมีดินมีน้ามีไฟมีลมขาดไปได้เป็นธาตุทั้งสี่อากาศองค์ประกอบไม่ได้เพราะนั้นเวลาเรายืนเดินนั่งพิจารณาก็ทำยกอันนี้ขึ้นมาพิจารณาวัตถุภูตโธตโมโศกหรือนึกถึงพุทธคนทําคนสางคุณคนค น, นึงถึงของดีๆีนึงถึงต้นแบบนึกถึงเป้าหมายของเราทีต้องต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เพียนพยายามเรียกว่าความเพียน อาตาปีนี่นคือคนที่ถ้าจะพิจารณาที่เป็นอิปัสสถานจริงอันนี้นคือตัวแรกเป็นตัวบอกว่าจะไปต่อข้างหน้าได้ก็ต้องมีอาตาปีอาตาปีคืออะไรอาตาปีแปลความเพียรถ้าแปลง่ายๆก็ความเพียรจังกิเลสให้ร้อนนั่งนานๆยืนนานๆตื่นนานๆทุกประโยชน์ทั้งหมดนะ มันอยู่นานไม่ได้ถ้าบอกว่านอนสบายลองนอนทั้งวันนอนทั้งคืนได้ไหมไม่ได้ถ้ามันนั่งสบายนั่งทั้งวันนั้งคืนได้ไหมมันก็ไม่ได้อีโบลก็เหมือนกันมันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ร็เลยอดทุกข์ค่ะคือทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ตลอดเพราะนั้นไอ้อดตั้งสิทธิ์เป็นตัวปิดบงังไม่ให้เรามองเห็นสิ่เหล่านี้พราะเขาไม่บังคืออะไรพอนั่งรานานไปเมื่อก็เปลี่ยนเป็นยืนมั่ง เป็นเดินบ้างเป็นดอนบ้างมันเหมือนไม่มีเราเราเข้าใจว่ามันเหมือนไม่มีแต่เราเข้าใจามันไม่มีทุกมันมีตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นไม่เห็นคือไ ม, ม, ม่ปฏิศนาไม่มีดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่แรกดวงตาหทำแล้วไม่เกิดก็เลยบอกไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเราไม่มีตานี่ยแหละเมื่อไม่มีตามันก็มองอะไรไม่ได้นี่ก็หลักหลักว่า วิปัสสนาก็คือข้อแรกถามว่าวันนี้ความเพียรเราพอไห ม, มเพียรเราถึงไหมควาเพียรยังกิเลสให้ร้อนไหมมันถึงขนาดมันร้อนไหมกิเลสกิเลสไม่ร้อนถ้าพอไม่ถึงมันไม่ร้อนหมายความว่า น, น้ํานะถ้าต้มไม่ได้ที่มันก็ไม่ร้อนมันแค่อุ่นๆนยังไม่ร้อนเต็มที่ควาเพียรยังกิเลสให้ร้อนอันอาตปาปีในขณะที่มีอาตปาปีมันต้องรู้คืสติคือมีสติต สติรู้ตัวเราบอกพูดสำรวจสองคำคือรู้ตัวถ้ารู้บ่อยๆรู้ทีๆอยู่เสมอจะกลายจากรู้ตัวเป็นตัวรู้กลับกันนะรู้ตัวก่อนคือให้มีสติอยู่ในตัวก่อนตอนนี้เราไม่อยู่ในตัวไปเที่ยวถ้าจะอยู่กับตัวเขาเรียกว่ารู้ตัวจนกลายเป็นตัวรู้ซึ่งคนละเรื่องตัวนั้นแหละมันจะเป็นประโยชน์ ถามว่าตัวรู้เกิดขึ้นกับเราหรือยังจีเ ร, รอพุทโธจีเรอะไรก็แล้วแต่พุโทโธที่เป็นคุณสมบัติก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานคุณสมบัติของท่านนี่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะเป็นคุณสมบัติของพุโทโธที่เร า, เามาใช้รู้ตัวเสร็จแล้วสัมป ช, มชัญญามาเชก็รู้เรื่องอันใดอันหนึ่งก็รู้ทั้งหมดรู้พร้อมกันในขณะเดียวกันเช่นกําหนดลมก็คือได้จังหวะจังเท้า กำหนดที่เดียวเช่นกระโหลกจมูกศีรษะปลายเท้าก็ในขณะจิตเดียวหายใจเข้าหายใจออกขณะจิตเดียวมันเกิดด้วความรู้เร็วความรู้พร้อมรู้ทั่วรู้ทั้งตัวถ้าเรารู้อย่างนี้อะไรสติมันเข้มแข็งมากขึ้นมันไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวสติมันเพิ่มพูนมากขึ้นนะตัวนี้แหละเป็นปฏิจจตุสัตว์ตัวนี้แหล ะ, ต, ต, ละตัวที่จะเกิด ปัญญาคือความรู้รู้อะไรรู้แจ้งเห็นจริงต้องเห็นจริงเห็นความจริงไม่ใช่จะเห็นความเพศเห็นความจริงที่มันเป็นอยู่ในรูปร่างกายของเราเนี่เห็นความจริงคือเห็นอะไรเห็นรูปเห็นน้ำกับมาที่เดิมเห็นไหมที่เรากำหนดตั้งแต่แรกหละกาหนดรูปกาหนดน้ำทีนี้อะไรคือสาระรูปกับน้ำอันนที่อยู่นานกว่ากัน รูปมันก็อยู่แท้ตามไข่ถ้าหมดแล้วเราหมดอายุไข่ก็หมดเส้นอายุอายุแต่ละคนก็ได้มาไม่เท่ากันอันก็แปลว่าต้นทุนของเรามันไม่เท่ากันห้ 50, 6, 10, 70, าสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบไข่ไข่ก็คือหมดไข่มันจะขี่ท่าในความหมดไปสิ้นไปหายไปก็หมดไปสมมติเราตายอายุห้าสิบก็อายุไข่ก็ห้าสิบหมดไปห้าสิบมันไม่ได้แค่นั้นนะ หมดห้าสิบครับดินน้ำไฟลมนะี่มันอยู่ได้แค่ 50. ห้าสิบล้างจากนั้น น, ะนี่คือรูปแต่น้ำมันไม่ได้หมดนะน้ำคืออะไรจิตตอนนี้รูปในะนามคือจิตกายใจกายหมดแค่ น, น, นี้แหละทำอะไรไม่ได้จะจิตมันไปต่อมันจะไปต่ อ, อยังไงจิตมันต้องอาศัยรูป จะเป็นรูปการแล้วกันรู้จิตการรแต่มันอาศัยรูปที่มันจํานั่นแหละคือสัญญาเรจึงเรียกว่าอยู่กับรูปพระนักพบของเรามีมันมีกามะพบที่ต้องไปนะถ้ารูปหรือจิตนะมันข้องอยู่ในก า, กนนกามกูเรียกว่ากามหรือรูปสิงกีริปุตตะวะเราจะใช้รูปสิงกิริยทำอารมณ์เลยประเภทเรียกว่ากามถ้าเจีมันยังข้องสิ่ง่านี้ยังติด ยัง็ิดยังสวยยังงามติดผู้หญิงติดผู้ชายในความจํามันมีผู้หญิงมีผู้ชายอยู่ซึ่งจริงมันไม่มีจิตมันก็จะจําของพวกนี้ไปเนี่ยเร่ากามาพบมันกลับที่พกของมงามนั่นแหละอีกทีนึงก็คือมันละเอียดมันไม่เกี่ยวกับรูปหยาบเนี่แล้วก็คือรูปวพบอันนี้เป็เรื่องของผมละอารูปก็เรื่องของผมเป็นสุญญาการแต่อย่างไรก็ตามมันมีใครเหมือนกันมีอายุเหมือนกัน มันก็ไม่ได้ไปมาไหนไปอยู่นางหน่อยหมายถึงจิตสภาวะของจิตอย่างพวกเราตอนนี้ก็สองพันกว่าปีหลังจากพระเจ้าพริริพานแล้วก็ที่กว่าสวรรค์แล้วก็เหมือนก้อนเดียวคือเดียวเขาบางชั้นมันไม่ได้เยอะเลยนะคือบ่าอายุของมนุษย์เรามันไม่ได้เยอะเลยเนะขตั้งมาที่ร้อยปีแต่น้อยที่อยู่ร้อยปีน้อยน้อยมากมีไว้มีแต่ว่าน้อย มาตรฐานตอนนี้คือเจ็ดสิบห้าทำไมต้องเอาที่เจ็ดสิบห้าแนวความคิด75็ือบอกว่าตอนนี้ของเรา 2,500 อปีแปลว่าหมดไปหนึ่งรอปีก็แปลว่าอายุของลถดรอจะหายไป1ปีพันปีก็เท่ากับสิบสองพันก็ยี่สิบสองพันย้าก็25้าปีมันจึงเหลือยี่สิบห้าหนึ่งรอปีวิธีคิดอย่างนี้ ประดีพูดเอาเองหลักเกณฑ์เขาคิดอย่างนี้อันนี้คือเฉลีย่ยนะเฉลีย่ยแล้วเจ็ดสิบห้าปีคิดดูดูอายุของมนุษย์นะเฉลีย่ยแลเจ็ดสิห้าปีคิดดูว่าเจ็ดสิห้าปีเนี่ยก็ทำอะไรได้บ้างเราใช้ที่เป็นประโยชน์เป็นโทษอะไรบ้างกับรูป ร, าาร่างกายสังขารของเราที่มีอยู่เนี่ยพวกเราเราไปพิจารณาดมูมันตอนนี้แล้วมันคุณกับโทษเนี่ยอะไรมันมากกว่ากัน ใช้มันให้เป็นคุณใช่มันให้เป็นโทษะแนนมากกว่ากันอย่าลืมมันต้องไปต่อนะมันไม่ใช่แค่นี้นะเมื่อดินน้ําำพายุไม่สามัคคีมันดับไปแล้วจะเรียกว่าตายเรียกอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าดับก็แล้วแต่จิตมันไปต่อนะจิตมันไม่เคยตายนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าคนตายแอะไรอยวจะเป็นีไปหลอกก็ได้นโอ้ยอย่าไปคิดเหมือนตอนนี้มันหลอกเราไหมตอนนี้ผัวกระดูกหลอกเราไหมบอกคนธรบมทันสังเกตด้ยซ้ำไป มันก็นเป็นพลาสติกหรือเปล่ากระดูกจริงฐามีแต่คนถ้าเราไม่คิดคือถ้าเราไม่คิดว่าเกิด ค, ความกลัวขึ้นมาแล้วอสุรกายถ้าจิตเราไม่กลัวก็ไม่มีอะไรมันก็คือกระดูกธรรมดาเหมือนกระดูกไก่กระดูกหม ũ, ูกระดูกรที่เราจำแหละแล้วมันไม่ต่างกันเลยก็ไม่เห็นว่าเรจะต้องเป็นเรื่องกลัวนี่ใช่ไหมเพราะเราวางอารมณ์ได้ราะน้การวิปัสสนาคือ ต้องการให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงองค์ประกอบก็คืออนนี้แหละคือหนึ่งต้องมีความเพียรพอเพียรต่อเนื่องนะไม่ใช่สักได้ ว, ว่าบริกรรมว่ากันไปความเพียรสติแต่ป็นสติใหญ่ถ้าบูตบวกอย่างนี้เราจะสําเร็จประโยชน์ได้มันจะเกิดวิปัสนาคือจะเกิดดวงตาเห็นธรรม ในเบื้องต้นไปนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกคนสามารถที่จะฝึกให้เป็นได้แต่ว่าทุกๆคนเห็นแล้วฝึกก็คืออยากเห็นอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่อยากเห็นนั่นไม่กลายเป็นปัญหาโดยไม่รู้ตัวเพราะความอยากนั่นคือปัญหาเราต้องมาูุกมาแยกกันะ่เรื่องโลกกับเรื่องธรรมให้มันชัดเจนเข้าใจตรงกันตั้งแต่แรกเลยว่าคําว่าโลกเนี่ย เขทําแล้วเขาต้องได้ถ้าเสียแล้วเขาไม่ทำนี่คือโลกนะเ้าอยู่กันอย่างนี้ค้าขายลงทุนร้อยบาทมันต้องได้เกินร้อยนี่คือเรียกว่าได้ลงทุนไปร้อยบาทได้เก้าสิบห้าขายของขาดทุนนะที่ไม่ทํากันนี่คือโลกนะส่วนทำไม่ใช่โลกนะสื่อถึงการทำเพื่อเอาแต่ทำคือธรรมะเนี่ย ทำเพื่อทิ้งคือไม่เอาเพราะฉะนั้นเราทําแล้วอยากได้แนละ้วเนี่ยคือท่นนั่นคือทําเพื่อเอาลืมโดยอาศัยอารมณ์ที่เป็นโลกที่เคยคือคิดว่าทํามันต้องได้แต่คิดผิดนะว่าทํานี่ยมันต้องทิ้งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปประชานะรูปประชานก็ตามทั้งบุญทั้งบาปที่ทําสุดท้ายไปทางมันจะต้องทิ้งคือจิตต้องเหนือสิ่งเหล่านี้ ต้องวางสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกับรูปร่างกายของเราเนี่กแต่เรายึดถือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานประตูก็ขอให้ชดใช้แต่ตัวคนต้องทิ้งโดยปริยายแต่ตอนนี้มันทิ้งไม่ได้นะี่ยคือควอมแตกต่างเพราะนั้นฝ่ายทำมันต้องทําและทิ้งคนที่จะทิ้งได้คนต้องมีสติเคยเปรียบเทียบให้ฟังเสมอโลกนี่นคือจตางี่ฝ่ายหนึ่งนี่นะฝ่ายโลกเนี่ย เขาจะจะตังประตูกเกณฑ์เพราหมายขเขาคือจะตังมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเราจะไม่พูดถึงวิธีการที่ได้มานะแต่ขอให้ได้มาที่เรียกว่าสตังพอคิดว่าสตังเยอะแลสามารถยีแปรสภาพเป็นอย่างอื่นได้ตามความต้องการนะักคิดตัวเองนะไอ้ฝ่ายหนึ่งก็คือทำทำนั้นคือสติตรงกันข้าม ก็ตามมาถามพวกเราทุกวนเนี่ยระหว่างสติกับสตังเราหาอันไหนมากกว่ากันถาหาสตังมัวแต่หาสตังแปลว่าอะไรแปลก็อยู่แบบโลกๆคืออยู่เพื่อเอาพระพุทธหยาบๆยางไงอยู่เพื่อเอาส่วนทางธรรมคือสติคาพูดทิ้งแม้แต่รูปร่างกายที่อยู่เรต้องทิ้ง ที่เป็นของเราของเขาตาหูจบูกร่างกายสุดท้ายนั่นคือทิ้งนั่นคือสติแต่ถ้าเราไม่มีสติก็นึกไม่ได้นึกไม่ออกก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าทําแล้วจะต้องได้เช่นปฏิบัติแล้วไม่ได้ขันนั้นคันนี้ก็ต้องเห็นด้า น, นเห็นนี่เห็นนู่นนี่เป็นการเข้าใจผิดไปคนละทางคนละเรื่องพุทธเจ้าไม่ได้สอนแล้วเราไปจําที่ไหนมาอะนี้ ไปจำพระที่ไหนมาทำคือทิ้งเท่ากับทิ้งส่วนโลกมันเอาคือยิ่งมีเยอะยิ่งดีเลยหมื่นล้านแสนล้านยิ่งดีเลยเพราะคิดว่าทำแล้วมันได้ทำแล้วเอาสุดท้ายก็แสนล้านน่ะทำวัดได้จริงมันได้จริงไหมสมมติตอนนี้ทุกคนมีแสนล้านหมดลมหายใจเป็นไงอาจจะคิดว่าได้เป็นไง นั่นแค่เราโลภะคืออยากได้แต่จริงๆแล้วความจริงน่ยสัจจะคือความจริงไม่ใช่ก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับความจริงเราไม่ได้อยู่ความจริงถาพผู้เจ้าสอนอะไรสอนความจริงแต่เราไม่อยอมรับความจริงอันนี้นคือข้แตกต่างวาะนั้นธรรมสัจจะคือความจริงแท้แน่นอนเรียกว่าธรรมะใยาม มันปรากฏขึ้นโดยธรรมชาติดืวยความเป็นอยู่หรือความธรรมนิยามเราเราปรศึกษาใ น, ในเนื้อความที่เป็นธรรมนิยามจริงๆคืออะไรแต่ลักยริงคืออะไรแล้วเขาค่อๆเข้าใจสภาวะที่เราทำที่มันอยู่ตรงนี้ทําให้มันสม่าเสมออย่ไปทรยศโคตรโกงต่อตัวเองให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองต้องทุกวันนะ่วเวลาหางินทุกวันนะ วันไหนม่หาไม่หาเงินมันก็ไม่ได้ตังค์นะคือไสตางค์มันก็ไม่เพิ่มมันมีแต่จะลดตางค์ที่เราร้อยบาทไปหามาเพิ่มเนี่ยมันจะเหลือเก้าสิบแปดสิบเจดสิบเปนเหลือศูนย์นะเพราะไม่หาเพิ่มสติเหมือนกันเราไม่เคยหาเพิ่มมันอ่ะมันยิ่งไม่มีอยู่แล้วอันเป็นอย่างไม่มีสติทีนี้พอไม่มีสติปุ๊บเนี่ยก็อะไรขึ้นในสภาพที่ควาไปอยู่ปัจจุบันเห็นไหม แมวตัวเดียวย่ า, ากันตายเงินห้าสิบาทนั่่ากันตายเงินห้าสิบบาทคิดวาชีวิตนี้หาไม่ได้เลยแต่ค่ากันตายเห็นไหมอันนี้ก็คือสตินะความสติถ้าคนมีสติก็จะไม่ทำโอ้ผลที่ตามมาหลังจากค่ากันตายมันไม่ใช่แค่จบแค่นั้นอะไรที่มันตามมาเนี่คุกตารางเสียเวลาอย่างอื่นเนี่ยแล้วคนทีมีสติเป็นอย่างนี้ คือคิดไม่ได้เรื่องมาไม่ได้เราคุ้มครองตัวเองไม่ได้คุ้มครองตัวเองคือคู่ของร่างกายตาเสียงกระหะนี้ไม่ได้บุคคลประเภท น, นี่คือขาดทุนยับเยินขาดทุนแปลว่าอะไรกลับมาข้าหน้ากลับมาอีกทีมีตาเหมือนก็ไม่มีตานี่หูเหมือนก็ไม่มีหูคือไม่มีอะไรเลยจ่างมาบุกคอยมูอหมากาไกา่นี่เหมือนเราหมดนะ แต่ทำบุนเราได้มไหมไม่ได้นั่นคือขาดทุนชัดเจนเรนต้องระมัดระวังว่าจิตอันนี้ถ้าออกแก่ไปแล้วนะไปอยู่กับพระห่างอีกร่างหนึ่งซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้ายังกลับมาอีกทาไม่พบหรือไ ป, ปมิติอื่นถ้ายังกลับมาที่เดิมแล้วมันไม่ได้เป็นคนอย่างเรานะกลับมาเหมือนกันแต่เป็นคนไม่ได้ไปอยู่กับพ้อยู่กับสนะขนันจะเกิดอะไรขึ้น มันอันตรายเราไม่ต่อไม่ได้เลยต่อจะแปลงนาไม่ได้เลมันเสียเวลาไปเท่าไหร่ดังนั้นพวกเราตีว่าโชคดีตอนนี้ตีว่าเราเป็นคนเป็นมนุษย์ฝึกได้พัฒนาได้อย่าลืมทบทวนสิ่งเหล่านี้ทุกวันว่าทําอย่างไรมันถึงจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนที่สุดก็คือพ้นจากสภาวะเหล่านี้คือจิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ ใครเคยอ่านหนังสือสิ้นโลกเหลือทำสิ้นโลกเหลือทำจะไปสิ้นโลกกว่าสิ้นทำก็ไม่มีอะไรเลยมันอันตรายเพราะนั้นวันนี้เรามาเพื่อสร้างดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้แหละคือถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วออกมาากนันจะต้องมีให้ได้นะถ้าไม่มีดวงตาอันนี้เราจะมองไม่เห็นอะไรเลยคือคิดไม่ได้ คือมองไม่เห็นหมายความว่าไม่สามารถที่จะมองภาพออกวรมามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่มีตานั่นแหละเพราะนั้นดวงตาหเห็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่คาธรรมดาแต่ถ้าดวงตาอันนี้ไม่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับคนเท่าไปเป็นร้อยแต่ตอนนี้ประชากรมนุษย์เป็นแปดแสนล้านก็จะอยู่อย่างนี้มีตาเหมือนกันแต่ดวงตาหเห็นธรรม ไม่ได้เยอะนะคนที่กิดดวงตาเห็นท่านไม่ไเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่าประมาทในวัยในชีวิตอยู่ทำเมื่อไรก็ได้อย่าประมาทนะเราตั้งเป้าว่าที่เจ็ดสิบห้าเองนะหลายคนเหลือไม่กี่ปีนะบางคนก็เลยมาแล้วนะหลายคนก็ติวว่าโชคดีแต่ว่าจะประมาทนะนั่นก็หมดแล้วนะหมดแล้วหมายว่า จะเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนมากก็ไม่ได้มันไม่ปกติแล้วนะมันบอกร่างกายไม่ปกติแล้วคืออย่าใช้เหมือนปกติไม่ได้แล้วนั่งนานๆเหมือนสมัยก็ไม่ได้แล้วเดินนานๆก็ไม่ได้แล้วนั่งธรรมดาก็ไม่ได้แล้วมัจจุราชกาลังมาเตือนกำลังมาบอกว่าวันหนึ่งเมื่อจิตมันออกจากร่างไปแล้วถ้า เป็นน้ําไฟลมเขา ก, กลับไปสู่ธรรมชาติเขาจะเรียกว่าอะไรจะเลียกเป็นแรลกหลกมันก็กลับแต่ตัวที่มันไปต่อนะมันยังไปต่อตัวนัน้นที่มันเก็บทุกอย่างาไปเป็นรูปอารูปไอ ต, ตัวนั้นจะไปต่อแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือเราเข้าใจะละตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นจากศีลคือชําระเมือ่อศีลพร้อมแล้วถ้ามันสูงกว่า สีลเป็นบรรทัานสูงกว่าไปด้วยกันเนี่คือภาวนาแปลว่าทาให้มีทําให้เป็นทำให้ปรากฏขึ้นไม่ได้แปลว่าเราหูเราตาบอกคนบอกไม่มีโอกาสได้ภาวนาเพราะเขาเข้าใจว่าภาวนาการ น, นั่งลงหลเรตาเข้าใจว่าสมาธิการนั่งลงหูเราตาเข้าใจว่าศีลประกอกับพระเราเข้าใจอย่างนี้มานานแล้วคิดมานั่งลงเมื่อไหร่กายวาจาสมัยเป็นศ้นทันทีในทางปฏิบัติไม่คิดอย่างนี้นทันทีเลย โดยไม่ต้องไปขอให้พระเลยไม่ต้องไปอาราธนาวิงวอนขอร้องตอนนี้ถ้างมือเช้าใครยังไม่มามันนั่งตอนนี้เงียบกายเงียบวาัจจาัยเงียบมเป็นสินทันทีแล้วน่ะพระปฏิบัติตัะความกังวลได้เลยเยสินสมาธิจดใจฟังตั้งมั่นอยนู่ในอารมณ์อะไรหนึ่งนนี้คือสมาธิอะไรนะในเบื้องต้นปัจจัยอาจจะไม่สงบแต่ก็เรียกว่าสมาธิส่วนปัญญาคือคิดได้ ค่อยตามค่อยตามตามความเป็นจริงนะพิจารณาแล้วค่อยตามตามความจรเออนะมีสาระมีประโยชน์มันเป็นประโยชน์จริงๆมันเป็นสัจจะคือความจริงที่ใครปฏิเสธยังไงมันก็เป็นความจริงอยู่อนี้ใครจะบอว่าอันนี้มันไม่ใช่ดินนี่ไม่ใช่น้ําไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมก็ปฏิเสธได้แต่สัจจะความจริงมันก็คือความจริงให้เราอย่ารับความจริง จะปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมด่ะช่วยกันแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแล้วทุกคนจะได้สภาว่าธรรมที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมในเบื้องต้นก็ยังดีถึงจะไม่สามารถจะละตอนปล่อยวางท่าเสียกันห้านี้ได้อย่างน้อยที่สุดอยู่ด้วยความเข้าใจเข้าใจว่าท่าเสียกันห้าเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้น้ำเป็นอย่างนี้เมื่อวันหนึ่งทําได้ จิตมันก็จะวางได้เร็วถ้าคนเคยฝึกซึ่งตรงข้ามบางคนนี่มันเคยฝึกกลัวเรียกว่าภัยเรียกว่าอสุรกายปรากฏภาพอสุรกายออกถึงเวลากันแล้วเช่นคนป่วยคนที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยปวตายโกรธกันไปเขากลัวสิกไม่อยากไม่อยากตายตั้เป็นไปได้ไหมเรากําลังสิทที่มันเป็นไปไม่ได้เร็วคนขวางโลก เป็นคนขวางเราแต่ทางทั้งแต่เราทตอนนี้คือยอมรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ค่อยฝึกก็ค่อยปล่อยทีละนิดทีละนิดสิ่งที่มันถืออยู่ก็ค่อยวางภาระทุระที่มีอยู่อายุห0สแล้วต้องเริ่มวางได้แล้วอะไรที่เป็นภาระอะไรที่เป็นทุระทั้งหลายเลง ถ้าเรายังไม่วางก็ยังถืออยู่มันก็หนักเท่าเดิมนั่นแหละก็ค่อยปล่อยก็ค่อยวางทีเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อยไรมันก็บอบบางบอบางลงบอ า, างลงถ้ายังวางทั้งหมดไม่ได้เลยแต่ถ้าวางได้เป็นการดีหรือวางชั่วคราวไดก็ยังดีจิตมันก็จะได้บอกเพราะาตอนนี้จิตมันทำงานหนักมากในการเป็นภาระทุระ ที่มีอยู่มันแบกมันยึดมันถือบอกเป็นตันบอกน้อยไปที่ภาระโทระที่เราทํำในตัวนี้ที่เราแบกในตัวนี้เป็นตันๆนะที่มันกดมันทับจิตของผู้รอไว้นให้ดิ้นไปไหนได้ถ้าเรายังไม่อยู่ในความคิดคือกระบวนการเขาเรียนเลยมันก็เท่าเดิมหมนแหละมาจิตมันก็ดุงเดิมมันก็ไปได้เดิมอย่าลืมว่าจิตเนี่ยมันไปต่อนะ กายมันดับจิตมันไปต่อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวางอะไรไม่ได้เลยเรื่องสุนัขติดกับสุนักมันจะเกิดอะไรขึ้นในนิทานชาดกท้องเรื่องหรือเรื่องเล่ามีเยอะแยะเลยที่จิตไปคล่องในสิ่งเหล่านี้เป็นขณะจิตที่ออกกลาจากร่างว่ามันไปไหนแล้งมันจะกลายเป็นสิ่งนั้นเลี้ยงไปโชน์สุนัขกลายไปโชว์ต้องสุนัขอันตรายนะ เป็คนอยู่ดีๆเป็นพระอยู่ดีๆไปห่วงแมวขึ้นวานะโอเดืดร้อนนะเดือดร้อนนะเพระจิตของเราเป็นได้ทุกสภาวะต้องระวังในฐานะเทราเป็นคนฝึกคนหัดคนปฏิบัติต้องฝึกอยู่ทุกวันว่าตอนนี้เราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพระเป็นออกมาถึงใจให้ใจถึงพระให้ถึงกันดีถ้าจะหยุดแค่คนหยุดแค่มนุษย์ ให้ใจเราเป็นพระทำํำใจตัวเองเป็นพระืคนที่เราคุณสมบัติเราไหวยอย่างงคือไปพุทธคุณกับพุทธเจ้า ก, กับพลานาพุท ธ, งงธรรคุณอย่างไงทำบุญคือสวัสดาโตพลานาสังฆคุณกัสบสุปฏิปโนนั่นแหละคุณสมบัติของพระไม่เกี่ยวกับร่างกายนะถ้าใครทําอย่างนั้นได้ก็นั่นคือคุณสมบัติจิตคนนั้นก็เป็นพระทันที ก็เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณคือคุณของลักษณะของจิตไม่เกี่ยวกับกายเกิกายถ้าเราเป็นอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กแต่คนฉลาดคเป็นกนารข้อตั้งนค์แต่ติดยายให้เป็น่ันนี้จิตเราก็จะดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจะมีแนวความคิดในการปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีกําลังมีฐานมากขึ้นในการสร้างกําลังสร้างพลังจิต ใหากับตัวเองไม่งั้นจิตจะไม่มีพลังจิตจะอ่อนแอเหมือนร่างกายร่างกายไม่แข็งแรงก็คือกายอ่อนแอจิตไม่แข็งแรงคือจิตที่อ่อนแอร่างกายอ่อนแอทําอะไรไม่ได้คิดได้แต่ทําไม่ได้จิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีกําลังหรือว่าพลังของจิตเนี่ยคือคิดได้ทําไม่ได้ดันคนที่มีพลังคือพลังกายพลังจิตเนี่ย มันแตแต่งกันอย่างนี้พลังของกายพานบอกว่าคนที่มีพลังกายหรือกำลังกายมันจะต้องเคลื่อนไหวไปมากายมันต้องจะมีกำลังนี่เรื่องของกายนะพระเชษฐาต้องออกกำลังนั่นเนีน้มันจะต้องเคลื่อนไหวขยับื่อนไปไปมากายมันจะมีกำลังตรองกันข้ากับจิตจิตจะมีกำลังมันจะต้องนิ่ง ตรงข้าวกับกายทันทีนะนี่คืออะไรสมาธิแปลว่าถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิอะไรก็จิตก็จะไม่สมาธิมีกําลังได้จิตฟุ้งซ่านอะไรก็มีกําลังได้เนีความตรงกันข้ามแต่มันจะตรงกันข้ามเสมอมีอะไรก็ตามให้เราเคดตรงกันข้ามกันเสมอในขณะที่มีศกอยู่อย่าลืมมันมีโทษกยูนนะในขณะที่เราเป็นโทษนะอ้ามันก็มีศกให้ขขคิดอยู่แต่เราไม่คิดไม่ยอมเปลี่ยน ไม่อยอมเปลี่ยนอริยบทเราก็เป็นอย่างนี้แนวิธีคิดถ้าอยู่อย่างนี้เราก็อยู่ได้แต่เออถ้าเราเข้าใจวิธีคิดอย่างเนี้ยมันอยู่ได้ไหมตอนนี้น ม, นนมันเป็นทุกข์อ้าวแต่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราปรจมอยู่กับทุกข์ไงก็พราะไม่รู้กัวิชาคือไม่มีสติเรื่องที่มันจะต้องสบายอะไรเยอะแยะบ้างไหมก็ไม่คิดพ่อคิดไม่ได้อันนี้คือแนวทาง ในการปฏิบัติชีวิตปัจจุบันถ้าเราอย่างนี้มันธรรมะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอย่างทด่เราเข้าใจเรื่องง่ายๆในโกเปิดประสการณ์สัตว์ชีวิหรือแม้แต่สวรรค์นิพพานความคิดที่เป็นปัจจุบันเราจะเข้าใจตามความเป็นจริงถ้าไปรอในนิพพานชาติหน้าชาตินู้นเป็นยังไงเราสวรรค์ชาติหน้าตายไปแล้วเป็นยังไงก็มาเอาตอนนี้แล้ว สวรรค์แปลว่าเย็นแปลว่าดับคนที่อยู่สวรรค์นิพพานได้คนไปสวรรค์ไปสซเว่ยอย่างเดียวคนถ้าไม่นิพพานคือดับคือเย็นไอคุณสมบัติของเขาถ้าเราไม่เย็นเราร้อนก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานแปลว่าเย็นแปลว่าดับอันนี้คือสารธรรมสี่เราฟังของเราขึืนวันนี้หวังเป็นอย่างจริงว่าจะยิน ได้ฟังโอปนาอโกเอาอันใดหนึ่งน้อมนำไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็าจะเชื่อเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท่านบอกไปแล้วว่าทำแลย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมาใครไม่ไปแวำทําทําไม้รักษาขอยังไรก็รักษากไม่ได้ก็ขอให้ทําทั้งหลาย จะเป็นเครื่องรักษาใจของพวกเราให้มีกำลังให้มีพลังเพื่อจะต่อสู้อย่างน้อยจะกรู้ยิ่งตามความเป็นจริงคือกองสังขารรูปธรรมนามธรรมอันนี้ด้วยปัญญาเมื่อไรเมื่อนั้นการเกิดเป็นคนการเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยพบชาติหรือภาระที่จะมาเกิด เป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะน้อยลงเต็มที่เจ็ดครั้งก็แท้ทำได้อย่างต่อเ น, นื่องครั้งเดียวสามครั้งเจ็ดครั้งเราก็จะหมดจาพ้นจะถึเร่อนี้อะ น, นี่คือกำลังใจทฝากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในสถานการณ์นี้ก็ให้พวกเราทุกคนว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเกิด ไปเกิดมากลับไปก็รมเจ็ดชาติก็ยังดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสัมสัตอนนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครโดนกันทุกคนหลังจากผู้เจ้าพระริพาน์มาเนี่ยเราคิดอะไกี่พีวิชาติแล้วเป็นอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นปีสองพันห้าร้ยหกสิบหกปีแล้วนะเจ็ดดวงนี้ ที่มันวนไปเวียนมาอยู่นี้ไม่เป็นยัาไนเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้สอบพันกว่าปีมาแล้วครึ่งศตวรรษแล้วนะศาสนาแล้วเขาบกเที่ตัมราเขาบอกห้าพันปีแต่นนมันครึ่งหนึ่งแล้วนะเราก็ยังวนไปเวียนมาอยจนนี้ธรรมะสัมเวสไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่มีอะไรมาสัมเวชนาเกิดขึ้นได้ไปทาก็ไม่เกิดขบวนการก็ไม่เกิดมุมขบวนการก็ไม่เกิด วิราคาไม่ต้องเอาพูดถึงอยู่ด้วยกันประาจักวิราคาไมนนีน่งนิพิทาวิราคาสตินิพานคือดับมันจะไม่ปรากฏมาันก็อยู่ได้แค่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราจิตมีจิตครอบงำชีวิตจิตกรรมคือการกระทำํำโดยขาดธรรมะปัญญาเราก็อาศัยแค่รู้มีชีวิตมีจิตมีกรรมกันดับแค่นี้แค่ทสามอย่าง หลังจากนั้นก็คือธรรมะปัญญาไม่เกิดเราก็จะวนไปเวียนมาโจรเนี่ยอย่ามารู้อีกที่ร้อยปีพันปีคราดระยืนแค่รู้เออสิ่งมีชีวิตแต่ก็ภูมิใจว่ามีชีวิตมีจิตจิตดีจิตประดีไม่ต้องพูดถึงมีกรรมคือการกระทำนี่แหละเป็นที่มาของวัตฏะโจ์ใจปัญญาของวัตะืงอง น, นี้ถ้ายังไม่เข้าใจ เป็นธรรมะวัตตะคือวนวนก็ไปกลับมาก็ไปกลับมาอันนี้คือวนแต่นี่เพราะเลยรก็จะความคิดคําพูดการกระทําของเรานี่แหละ ว, วัตตะที่แท้จริงคือความคิดคําพูดการกระทําที่ ซ, ซ้ำซ้ำซากซากเดิมเดิมเก่าเก่าไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยนี่คือวัตตะที่แท้จริงไม่ได้เกีก่ยวเกินแก่เกกใจ็บตายหมดไปเรียนมานีย วนอยู่กับความคิดอันนี้แหละการพูดการกระทำสามเรื่องแค่นี้แหละยิ่งเป็นได้มากเว่าเรากรรมนำประสบการกระทําถ้าเราตัดตัว น, นี้คือสังขารกราบุกแต่งอันนี้ได้เราก็ถ้าเราตัดวัฏฏะนั่นเองพลังการปฏิบัติเราพอเราต้องการให้เราเข้าใจเสิ่งเหล่านี้คือต้องการให้เราคิดได้แล้วดวงตาเห็นธรรมคือคิดไม่ได้โอที่แท้จริงมันมันแค่สามเรื่องแค่นี้แหละ เราไม่สามารถจัดการความคิตัวเองได้ไม่สามารถจัดการคำพูดของตัวเองได้ไม่สามารถจัดการการการะทั่มตนเองควบคุมไม่ได้อย่าไปโทษวัตตนะว่ามันมันยาวนานไปเพราะเราไม่ตัดไม่ควบคุมไม่หยุดติดความคิดกับพูดการทํานั้นๆเรายังส่งเสริมต่อไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยแน่นอ น, นวตัตตะคือจะวนอยู่ยนี้แหละ นี่คือวัตถะที่แท้จริงการนี่คือสารธรรมสาหรับพวกเราค่ํามคืนวันนี้ฟังเป็นอย่างยิ่งว่าเราฟังมาแล้วโอ้นั่นโก้คือน้อมเอาไปพิจารณาวยรับประโยชน์ทั้งรูปและกนามคือรูปประการนามประกาที่เราตัวตนของเรานี่แหลขอเราตลาดได้มีความสุขความเจริญอยู่โลกก็ใหเจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญทางธรรมพอเราตลาดได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุก คนทุกท่านเพิน